5. ถ้ารู้สึกตัวจิตจะหลุดออกจากโลกแห่งความคิดเราฝึกสติเพื่อให้เกิดการรู้สึกตัวและหลุดออกมาจากโลกแห่งความคิดนึกปรุงแต่งและตัดชีวิตออกเป็นช่วงๆเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตของผู้ปฏิบัติจิตของผู้ไม่ได้ปฏิบัติจะรวมอยู่กับอารมณ์แต่ถ้ามีสติเกิดขึ้นจิตจะถอดถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูในวงเล็บผู้รู้อารมณ์แล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจเป็นกลาง เห็นอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้เห็นความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่แฝงเข้ามาเห็นว่าธาตุขันธ์ทำงานของเขาเองไม่ใช่ตัวเราชีวิตเหมือนภาพลวงตาเหมือนพยับแดดเหมือนความฝันถ้ามีตัวผู้รู้อย่าเพ่งใส่ตัวผู้รู้เพราะผู้รู้จะเป็นผู้ถูกรู้ซ้อนขึ้นมาอีกไม่มีที่สิ้นสุด